วันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งวันหนึ่งที่พวกเราได้พร้อมกันมาเริ่มพิธีหรือว่ามาไหว้พระต่อไปก็จะสมาทานศีลเมื่อสมาทานศีลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะได้กล่าวคําถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลแต่ว่า ง, งานนี้เป็นงานถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทชนเพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรา หรือว่างานนี้เป็นงานสาคัญยิ่งงานหนึ่งคืองานโครงการอุปสมบทหม่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพระันปัสา5ธันวาคมพุทธศักราช2553จัดโดยศาลจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีคงจะเกี่ยวกับอภิพากษาทางอายการทางเรือนจำพร้อมๆกันทุกหน่วยยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีวันนี้เป็นวันที่สองธันวาคมพุทธศักราช2553ณวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีนาคทั้หงหมดที่จะอุปสมบทในวันนี้ วัดป่านาคำน้อยรับผิดชอบในการดูแลเกี่ยวกับการฝึกซ้อมการขานนาคเลื่อกบริคารทั้งหมดมี26นาคสัมม4ณี4 4 น, น, นาคนาคสัมมาณี4และก็วัดโพธิสมพรสมทบอีก1 น, นาครวมอุปสมบทพระในวันนี้27 27พระสัมมาณี4 รวมแล้วเป็นสามสิบเอ็ดเมื่อเราฉันพัฒหานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะขึ้นไปที่โบสถ์ขอให้คณะสัตทายาตาโจมทุกท่านท่านควรจะเสียสละเวล่เวลาวันนี้เพื่อผสมบทมงเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลต่อในหลวงของพวกเราท่านมีพระชนมายุแปดสิบสามพันปศา จะครบวันที่ห้าธันวาวันนี้เป็นวันที่สองแล้วก็หลวงพ่อเองก็ย้ำให้แกน่นาคของหลวงพ่อที่รับผิดชอบว่าการบวชในครั้งนี้เป็นบวชเป็นกรณีพิเศษในชีวิตของพวกนาคแต่ละนาคเพราะเป็นการถวายพระราชกุศลเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ให้ตั้งใจอันดับแร ก, กคือรักษาสินในสินและวินัยให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จากนั้นก็คงจะให้หนาคทั้งหลาย ปฏิบัติกิจภาวนาพยายามทําใจจิตใจให้สงบตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนพวกเราเรว่างการปรสมบทข่าวนี้ละรั้งนี้มีความหมายครั้งยิ่งใหญ่เป็นการถวายพระราชกุศลและก็พร้อมกันตอนนี้ไปเมื่อคณะนาัายาติโยมกล่าวขออาราธนาหรือว่ากล่าวอาราธนาสิ่ง ขอสินอัตมาภาพก็ได้ให้ศิลก่อนที่จะให้ศินอัตมาภาพขอชี้แจงเรียกว่าแนะนําในเรื่องของศินให้แก่ศรัทธาญาติโยมคือบางท่านถ้ า, าว่าไม่ได้บวชในพระพุทธศาสนาคือไม่เคยบวชจะเลยมีแต่ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เรียนหนังสือพอเรียนหนังสือแล้วก็จบปริญญาตรีโทเอกก็เลยทาการทํางานพอทําการทํางานเสร็จแล้ว ทีนี้นจะมารู้เรื่องของพระพุทธศาสนาหรือรู้เรื่องของศีลธรรมนั้นถ้าไม่เป็นผู้ไม่ใส่ใจจริงๆถ้าไม่ใฝ่ใจจริงๆก็คงจะไม่รู้เรื่องกับเหมือนกับวิชาอาชีพต่างๆนั่นแหละถ้าเรารู้แต่เรื่องทําราชการแต่ละขแขนงวิชาตํารวจท่านพิ่ภากษาอายการหรือว่าครูบาอาจารย์หรือว่ า, ขาแขนงไหนก็ตาม ถ้าใส่ใจในสิ่งนั้นเราก็จะรู้แต่สิ่งนั้นแต่เราจะไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาคงไม่ได้อันนี้หลวงพ่อเองเป็นฝ่ายพระสงฆ์อยู่ในพระพุทธศาสนาเป็นผู้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวว่าหลักของพระพุทธศาสนาเป็นมาอย่างไรเป็นไปอย่างไรมีคุณค่าอย่างไรศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินั้นมีประโยชน์อย่างไรต่อชุมชนต่อสังคมฝ่ายพระสงฆ์ก็จะต้องอธิบายให้แ ก, ะกะ่ผู้ศรัทธาญาติโยม ให้ได้ฟังให้ได้รับรู้เวรานั้นแต่จะให้คราวาสจัดโยมที่เรียนทางโลกมาแล้วจะรู้เรื่องพระพุทธศาสนาก็คงเป็นไปได้ยากเรื่องสินห้าก็เหมือนกันสินห้าข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่กล่าวมุสาไม่ดื่มสุราเท่านี้ก็รู้แล้วแต่ตามไม่จริงความลึกซึ้งของแต่ละศิขาบทด้วยวแต่ละข้อนั้น ต้องย่อยลงไปอีกว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติศิ่5ประการนั่นคือบัญญัติทำใหม่เพื่ออะไรอันดับแรกมานจะมาภาพที่ได้กล่าวจังหวัดนโมตัสสะนโมตาาัสสะพวกเราก็คงไม่รู้ลวละว่านโมตัสสะนั่คืออะไรเห็นแต่คนเก่าคนแก่คนมรํมโมาโบราณเข้ามาสู่วัดวาสาณฐานหรือ ว, ว, ว, ว่ายภาพจังหวัดนโ ม, มนะโมตัสสะนั่นคืออะไรทำมาจริงว่านโมแล้วทำไมจะม า, ะมาพุทธทางทำบางสังข์ง สา ร, รานักฉาไม่ทำไมพวกเราก็ไม่เรียนไม่ได้เรียนในพระบาลีพวกเราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันแต่บางคนที่ไฟที่ไฟใจใส่ใจในการศึกษาก็พอจะรู้ได้แต่ถ้าว่าผู้ที่ไม่ได้ไฟใจในการศึกษาก็เขาว่าก็ว่าไปตามเขาก็ะจบจบไปเป็นค้งังคเขาคราวไป แ, แต่ตามไม่จริงทำคาสอนของพระพุทธเจ้ามีความหมายอันลึกซึ้ง ทำไมเราจึงว่านะโมนะโม ต, โตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทำไมเราจึงวานะโมเพราะว่าเราจะสมาทานศิ่งทั้งห้าข้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติเป็นผู้กําหนดเออเป็นผู้คิดค้นเป็นผู้บอกกล่าวเป็นผู้บัญญัติเหมือนกับบัญญัติกฎหมาย รัฐธรรมโนให้ปกครองประเทศชาติอย่างนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าบัญญัติศินให้เป็นให้ปกครองคณะจัดทาญาติโยมฝ่ายอุบาศกอุบาสิกาบาศกคือโยมผู้ชายอุบาสิกาคือโยมผู้หญิงแต่ถ้าเาว่าเป็นศิลสิลธิ์สิทธิ์คือศินกฎระเบียบสำหรับสมณเน2 2 7งอย่สงคือศินระบบของพระคือพระเนี่ยเป็นผู้ตัด เรื่องทางโลกออกมามากแล้วท่านการ์ดรักษาศินสยยี่สิบแต่สําหรับคราวาสญาติโยมเนี่ยรักษาสินห้าก็เพียงพอถ้าอยู่ด้วยกันจะไม่ได้เบียดเบียซ น, น, บนซึ่งกันและกันให้ครบสิซึ่งกันและกันคือศินห้าก็น่าจะเพียงพอสําหรับฆราวาสคือโยมผู้หญิงโยมผู้ชายเพียงสินห้าน่าจะพอนี่แหละคือพระพธเจ้าบัญญัติขึ้นมา แล้วพวกเรานำมาพิจารณาวสินห้าประการของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้นั้นมีคุณค่ามีประโยชน์เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะรับสิลเราจึงของนอบน้อมพระพุทธเจ้าคือต้นศาสนาต้นศาสนาต้นความคิดก่กอนว่าในพระพุทธเจ้าบัญญัติศิลอันนี้เรายอมรับเนเราเป็นอุบาสกอุบาสิกายอมรับว่ามีคุณค่ามีประโยชน์เพราะนั้นข้าพเจ้าจึงของนอบน้อม พระพูทธมีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนีโมตัสเนี่คือความแปลและความหมายอากนั้นพุทธังทำมังสังคังสระนาคัชามิข้าไปเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ดีรู้ชอบตัวพระองค์เองแล้วแล้วก็ประกาศพระธรรมคําสอนออกมาประกาศเผยแผ่ออกมาให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษา ทั้งพระธรรมแปดหมสี่พันพระธรรมมั่ก mm ขัคฆราวาสควรทําอย่างนั้นฆราวาสหญิงควรทําอย่างนั้นฆราวาสชายควรทําอย่างนี้สามเณรควรทําอย่างนี้พระสงฆ์ควรทําอย่างนั้นเพราะพระไตรเจ้าบัญญัติจากนั้นก็ควรจะคิดอย่างนั้นควรจะคิดยังไงในหลักของพุทธศาสนาควรคิดยังไงเพราะพระไตรเจ้าก็สอนกระทั่งความคิดในเมื่อคิดดีทําออกไปก็ทําดีพูดออกไปก็พูดดีถ้าคิดไม่ดีแล้วทําออกไปก็ไม่ดีพูดออกไปก็ไม่ดีเพราะนั้นพระไตรเจ้า ท่านสอนท่านความคิดนะอย่ากนั้นก็คือนี่คือพระธรรมคําสอนจากนั้นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้นำธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาคือพระสงฆ์สาวกเพราะฉะนั้นเราจึงยึดว่าพระพุทธเจ้าก็ดิษพระธรรมก็ดิษพระสงฆ์ก็ดิษเป็นสารณะเป็นที่พึ่ง เ, เป็นคุณเป็นประโยชน์สาหรับเราอย่างมากเพราะนั้นเราจึงยึดทั้งสาม รัตนันท์ไรเป็นสารณะเป็นที่พึ่งจากนั้นอาตมาภาพจะได้กล่าวเป็นองค์ศีลเป็นข้อข้อที่หนี่เพราะว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างไงศีลพระพุทธเจ้าบัญญัติศีลข้อที่หนึ่งปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิแปลและความหมายว่าแปลเป็นภาษาไทยว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าฆ่ากันนะอย่าคิดฆ่ากันถ้าเราไปคิดฆ่าเขาคิดฆ่าพ่อฆ่าแม่ ข้าวงศาคนาญาติของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไงเขาก็ต้องทุกข์ใจถ้าเขามาคิดฆ่าเราเราก็ทุกข์ใจเช่นเดียวกันเพราะเหตุ น, นั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าคิดฆ่ากันนะเพราะพระพุทธเจ้าท่านเป็นธรรมเป็นธรรมมาธิปไตยอย่าคิดฆ่ากันถ้าพวกเราไม่คิดฆ่ากันจัตราอาวุธก็ไม่มีเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้ไม่มีความระแวงแคลงใจกันไปที่ไหนก็เห็นกันแล้วก็ ให้อภัยกันไม่คิดฆ่ากันโลกทั้งโลกก็ร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยอันนี้พระพุทธิยาวันท่าพวกท่านทั้งหลายคิดฆ่ากันพวกท่านจะต้องสะสมอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทั้งที่จะหาเลี้ยงชีพตัวเองให้อยู่เป็นสุขกลับเตรียมถัดตราอาวุธเพื่อประหัตประหารเพื่อเตรียมพร้อมเพื่อปกป้องตนเองนี่แหละพระพุทธิยาว่าถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายไม่คิดฆ่ากันเช่อย่างเดียวโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุข ท่าว่าพวกท่านทั้งหลายคิดฆ่ากันโลกทั้งโลกจะเดือดร้อนวุ่นวาย เ, เพราะว่าไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันอันนี้คือสินข้อที่หนึ่งพวกเราคิดดูซิว่ามีคุณค่าไหมศีลของพระพุทธเจ้าสิลข้อที่สองอธินาธานเวรมณีพวกท่านทั้งหลายอยากขโมยคิดขโมยกันนะถ้าพวกเราคิดขโมยกันคนนี้คิดขโมยคนนั้นคนนั้นคิดขโมยคนนี้ เ, เพอเพ้อแล้วก็ ขโมยพ่อแม่ของเขาสามาีภรรยาลูกหลานของเขาไปเรียกค่าถ่ายอย่างนี้เขาเดือดร้อนไหมเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามาทําให้เกลเราเราเดือดร้อนไหมเราก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นการขโมยคํานี้มีมากมายทุกวันนี้มีเยอะแยะในเรื่องการขโมยเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราไม่คิดขโมยกันถ้าเขามาทําให้เกลีเราเราก็เดือดร้อนถ้าเราไปทําให้แกลเขาเขาก็เดือดร้อนถ้าวัดทุกคนให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน โลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขเพราะไม่มีขโมยถ้ามีขโมยคิดแต่จ้องแต่ขโมยกันแล้วพวกเราคิดดูก็แล้วกันว่าจะมีความลําบากขนาดไหนไปที่ไหนมีแต่ดูแลสิ่งของของตนกลัวขโมยมาขโมยเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าโลกทั้งโลกเคารพศีลซึ่งกันและกันไม่ขโมยกันโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขอันนี้คือศีลข้อที่สองข้อที่สากาเมสุมิชัยจาราวรมณี สามีภรรยาลูกหลานครอบครเขาก็รับสงวนห่วงแหนของเขาถ้าเราไปทำํำไม่เคารพสิทธิ์ของเขาพ่อแม่วงศ์สานาญาติของเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามาทําให้แก่เราก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีถ้าว่าเราไม่เคารพสิทธิ์กันแล้วจะหาความสงบร่มเย็นเป็นทุกไม่ได้ประเพณีมีอยู่แล้ว การสูขขอกันอันนี้คือเป็นประเพณีของโลกแต่ถ้าเราทําปิดประเพณีแล้วความเดือดร้อนวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมของพวกเราอันนี้พระพุทธเจ้าบัญญัติศินข้อที่สมให้ระวังฮะอันนี้ศีนข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีอย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุ๋นโกหกหลอกลวงคนอื่นเขาจะหาความสงบร่มเย็นเป็นทุกไม่ได้เพราะคนนี้โกหกคนนั้นคนนั้นโกหกคนนี้ พอี่สุขคนโกหกกันหาความไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้แล้วโลกทั้งโลกจะมีความสุขได้อย่างไรเข้าไปโรงเรียนครูกโกหกนักเรียนนักเรียนกโกหกครูฮะพอในสุดกันทํำยังไงมีแต่คนโกหกไปทั้งหมดแล้วจะหาความสัต์จริงได้อย่างไรนี่สิ่นข้อที่4ของพระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไวา้ศิ่นข้อที่5สุราเมีรยัมัชัปปามา ตาเดิมสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราแล้วเมาแล้วขาดสติเมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วในทุกอย่างฆ่าใครก็ได้ขโมยของใครก็ได้ละลาบละล่วงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะคนขาดสติสรุปแล้วก็คือคนขาดสติเป็นคนที่น่ากลัวมากเหมือนกับคนบ้าอย่างนั้นนะเอเอคือดื่มสุราเข้าไปเมาไม้แล้วเกิดน่ากลัว ไม่รู้ว่าจะออกมาไม้ไหนเพราะเหตุไรเพราะคนขาดสติถ้าว่าคนมีอารมณ์โทสะเป็นสันดานอยู่แล้วถ้ามีสัตราอาวุธอยู่ใกล้คนขาดสติเน่พร้อมที่จงเวียงพร้อมที่จะทําอะไรให้แก่คนอยู่ใกล้ๆได้ไง่ายๆเพราะหลายคนขาดสติและมีอารมณ์โทสะด้วย เ, เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้คณะตัทายาติโยทุกทุกท่านได้ฟังและศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างมากเพราะนั้น คนโบราณ ร, ระอว่าบรรพบุรุษของพวกเราเวลามีพิธีกรรมพิธีการขึ้นมาท่านจึงให้พวกเราไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลเป็นเบื้องต้นก่อนอย่างน้อยก็ให้เชิดชูบูชาศีลธรรมไว้ในจิตใจถ้าพวกเราไม่เคารพศีลธรรมแล้วพวกเราจะเดือดร้อนวุ่นวายทุกข์ใจเพราะว่าศีลธรรมนี้ปกครองปกครองคนในที่มืดก็ได้ในที่แจ้งก็ได้แต่กฎหมายนั้น ปกครองคนได้แต่ในที่แจ้งถ้าว่าไม่มีใครเห็นไม่มีสักขีพยานกฎหมายยังไม่ถึงแต่ศีลธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกว่าความชั่วนั้นอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะความชั่วนั้นให้ผลเป็นทุกข์เมื่อภายหลังเหมือนเราจับไฟการจับไฟเราจับในที่แจ้งไม่จับในที่มดืดร้อนเหมือนไกน่เพราะฉะนั้นการทำกรรมชั่วเป็นเช่นเดียวกันถึงเราจะทําในที่แจ้งและในที่มดืดก็คือความชั่ว ตัวเองรู้ทั้งรู้ตัวเองรู้ไม่ใครไม่รู้ตัวเองรู้ว่าทําตัวเองทําความชั่วคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วตัวเองรู้เพราะฉะนั้นพระพระุทธเจ้าท่งว่าอย่าทับถ้าทําไปแล้วก็ไม่ดีเป็นเครื่องเผาผาลาญหรือเป็นเครื่องเผาทางด้านจิตใจเหมือนกับเราจัดไฟในที่มืดแต่ไม่มีใครรู้เราร้อนไหมจับไฟร้อนทํำกรรมชั่วไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหลักของพุทธศาสนาเนี่ปกครองทั้งจิตใจด้วยทั้งในที่รับทั้งในที่แ้ง เพราะนั้นขอให้คณะสัตธยาญาติโยมทุกๆทัานที่ได้ฟังศีลธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนำไปคิดนำไปพิจารณาไตรตรองเหตุและผลพวกเราจะรู้ได้ว่าศีลธรรมของพระพุทธเจ้าลึกซึงปกครองให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขได้ถ้าว่าพวกเราเคารพศีลธรรมตอนน่อไปเมื่อรู้ว่าศีลห้าของพระพุทธเจ้า มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรแล้วต่อไปอาตมาภาพจะเป็นผู้พานำสมาทานสินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรก่อนที่จะอนุโมทนาให้พรอาตมาภาพจะขอกล่าวความเป็นมาอีกครั้งหนึง่ง ในแก่ธรัตธ า, าญาญาโจมได้รับทราบว่าวันนี้เมื่อพระสงฆ์ให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วชันพัฒนาหันเมื่อฉันพัฒาหันเสร็จเรียบร้อยแล้วธรัตธาญาญาโจรจะรับทานอาหารตามมัธยาใยเมื่อทานอาหารเสร็จเรียบร้อยก็คงจะเริ่มเอาหน้าขึ้นไปที่โบสถ์วัดโที่สมพรทราบว่าหลวงปู่ใหญ่พระอุดมญาณโมรีจะเป็น ผู้นั่งอุปชาท่านจะบวชให้สามชดจากนั้นก็คงจะเป็ น, ท, น, นท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านจุุราชจะเป็นผู้อุปสมบทต่อไปจนครบทั้งหมด3าสบสาอโรคทั้งสัมาณเรนทั้งพระด้วยนะแล้วก็วันนี้หลวงพ่อนัตลงหลวงพ่อบุญมีที่จะมาร่วมที่โคศกได้พูดไปว่าเมื่อ นาคผสมบทเสร็จเก็บร้อยแล้วก็คงจะแยกกว่านาคท่านใดนาคพระใหม่องคไหนจะไปอยู่วัดไหนก็คือวัดกะไว้กะลือลง้ลงปูบุญมีปริคุณโนวัดป่านาคูลจังหวัดอุดรธานีแล้วก็หงพ่อหน้าลงวัดกกสะทอนจังหวัดอุดรแล้วก็ท่านบุญมีถ้ำเต่าจังหวัดอุดรแล้วก็ ทราบว่าท่านหลวงปู่ว่านอีกนะแต่ตามเป่จริงจะมีผู้ไปหรือป่าอยสกลนครนะอันนี้เมื่อขบสมบทเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะแยกย้ายกันแะผู้ที่จะกลับเข้าไปสู่วัดป่านาคร้อยก็คงจะมีแต่วันนี้เป็นงานซ้อนกันคืองานหลวงปู่บุญมีปริปุนโนวัดป่านาคูนเป็นวันเกิดของท่านนะเพราะฉะนั้นหลวงพอ่อนาลงคนดีหลวงพ่อบุญมีคนดีพระนส่์ที่เป็น สหธรร ม, มิ ก, ก็เลยไปร่วมกันในงานหลวงปูป่บุญมีหลวงพ่อเองอัตมาภาพเองก็ท่านก็นิมนต์เหมือนกันหลวงพ่อโอ้ไปไม่ได้เพราะหลวงพ่อเป็นเจ้าภาพในการบวชในคราวนี้หลวงพ่อก็เลยไม่ได้ไปแต่ตามที่จริงวันเกิดหลวงปูป่บุญมีนะวันนี้วัดป่านาคูลวันที่สองธันวาแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็คือพิธีกรรมระหว่างงานที่พวกเราจะเดิน ไปในวันนี้และก็งานนี้เป็นงานที่สำคัญยิ่งที่อาตมาภาพฤกกล่าวก่อนที่จะให้พวกคณะสัตย า, ญญาติโยมสมาทานศิลเป็นโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา5ธันวาคม พุทธศักราช2553จัดโดยศาลจังหวัดอุดรธานีร่วมกับหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมจังหวัดอุดรธานเีเมื่อวันที่สองคือวันนีนะ้วันที่สองธันวาคมพุทธศักราช2553ณวัดโคที่สมพรจังหวัดอุดรธานีนาคที่ทางวัดป่านาําน้อยเป็นผู้ฝึกซ้อม แล้วก็เป็นผู้ช่วยจัดบริการกับคณะรัาาทายโยรมทุกโมเหล่านั่นร่วมจัดบริขารหาให้หน้าผู้ที่จะอุปสมบทคือรับผิดชอบร่วมกันดึงบริขารที่มาจากวัดป่า น, นาคำน้อยเนี่ยเป็นหน้าทั้งหมด26น่าคือหน้าเหล่านี้ก็คือหน้าไปทางจังหวัดทางคณะท่านหัวหน้าศาลทาั้ง4ศาลและกับหัวหน้าส่วนราชการส่งเข้าไป ไปฝึกและไปอบรมไปฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่23วันที่23พฤทธจีกายนก็จนถึงวันที่สองนี่แหละออกมาก็ ค, าคิดว่านาคทุกคนนาคทุกท่านที่จะบวชก็พร้อมและกัอัฐบริหารก็คิดว่าพร้อมความขานนาคก็คิดว่าพระท่านก็ยอมรับว่าท่านก็ทําให้ดีที่สุดแล้วก็จะบวชในวันนี้ละวันที่สองนี่แหละ เป็นนาคทั้งหมดหนาคพระยี่นาคสมมเนมสี่นาคและวัดโพธิสมพรสมพ่อพระอีกหนึ่งนาครวมแล้วจะบวชจะอุปสมบทวันนี้ทั้งหมด27่สินาและจะบรรพชาเป็นสัมมเนมอีกสีก่นาครวมแล้วเป็นสามนาคที่พวกเราจะได้ร่วมกันบวชพระไว้ในพระพุทธศาสนาแต่อย่างน้อยก็มีกําหนดว่า จะให้บวชคนละหนึ่งเดือนเป็นอย่างน้อยต่ถ้าว่าผู้มีศรัทธาที่จะบวชต่อไปเลยเก็ได้แต่ตามไม่จริงก็ผู้ที่หมดภาระหมดความกังวลทางโลกลพอสมควรแล้วก็น่าจะเสียสละบวชเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลในหลวกับเป็นบุญกุศลไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะ เ, เป็นการบวชไปเลยอย่างวัดหลงพ่อ บ, บวชเมื่อคราวเมื่ อ, อขนาด สารจัดข่าวนั้นก็ยังเหลืออยู่ทั้งหลายองค์เหมือนกันนะและยังเหลือพระอยู่หลายองค์ทีกเป็นพระที่บวชแล้วก็ไม่ศึกเลยมีอยู่3ามสี่องค์เหมือนกันเพราะฉะนั้นในคราวนี้ก่อท่าหากว่าผู้ที่บวชเข้ามาแล้วอยากจะอยู่ในพระพุทธศาสนารักษาศีลภาวนาเพื่อเป็นการเทิดทูนบูชาถาวายเป็นพระราชาุขุสนในหลวงก็จะเป็นบุญเป็นกุศล กับตนเองเป็นสิริมงคลกับตนเองเป็นอย่างยิ่งะแล้วก็เมื่อเราบวชเข้ามาแล้วก็ขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจขอบคุดปฏิบัติให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดนั่นแหละแล้วก็ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามำคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วย เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนาหน้ า, นาทุกคนที่หลวงพ่อได้กล่าวมาทั้งหมด3 1, าเอดหน้าเ่ให้เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจรักษาศีลแล้วก็ให้ปฏิบัติภาวนาจิตภาวนาตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจะเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจิตใจของเราก็จะเจริญด้วยมีความร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจด้วยและกัทางโลกของเราก็ปฏิบัติถูกต้องด้วยนี่แหละ พวกเราทางว่าทำถูกทั้งสองอย่างคือทั้งกายทั้งใจแล้วพวกเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอยู่นักสถานที่ใดก็เป็นสุขท่วนหน้ากันต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรขอให้พวกเราน้อมจิตถวายเป็นพระราชุิพนธอต่อในหลวงของเราและก็พระบรมราชินีและก็พระบรมวงศ์สามพระวงทุกๆพระองค์ ตลอดถึงสารของพวกเราที่สารุติธรรมศารทุกศารและก็ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานนี้นะทางว่าผู้ที่ท่านทีภาคสารุ่นกรานอย่างที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติของพวกเราที่ท่านหลวงรับดับขันล้มหายตายจากไปทางว่าท่านเหล่านั้นดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นสิงสถิตอยู่ณินใด ท้าวาตกทุกแต่ยากอยู่ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราที่ได้ร่วมกันทําบุญในวันนี้แต่ท้าวาท่านเหล่านั้นมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายของนาค ก, ก็เหมือนกันหรือวพวกเราที่มาร่วมกันทําบุญในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะพวกเราเกิดมาไม่ใช่เกิดมาในภพนี้ชาตินี้เพียงชาติเดียวในหลักของพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าใจดวงนี้ ความนึกคิดดวงนี้คือดวงวิญญาณของเราทุกคนเนวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี่ท่านหวังว่าใจนี่เป็นนักท่องเที่ยวยพอร่างกายนี่แตกก็ไปซื้อรถคันใหม่ร่างกายเหมือนกับรถจิตใจของพวกเราเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถนี่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันรถคันนี้ใช้ไปมันก็แตกทะลุแล้วก็หมดสภาพแต่ส่วนจิตใจคือคนขับรถนั้น จะต้องออกจากร่างไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าไปศึกษาดูแล้วว่าใจนี่ไม่ตายใจนี่เกิดอีกเป็นนักท่องเที่ยวโตัวสกสัดสกกันเลยเออไปในภพภูมิต่างๆเพราะนั้นพวกเราไปเกิดในภพภูมิใดเราก็ต้องมีพ่อมีแม่มีวงาาาศาคณาญาติมีญาติมิตรสหาย ถ้าว่าพวกเรามาเกิดในภพนิชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้ทําบุญกับพระพุทธศาสนาพวกเราก็ควรจะน้อมจิตวุฒิส่วนกุศลต่ออญาติพี่น้องของเราในอดีตชาติประสบแต่ยากขอขให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้ฆ่าหรือข่าพรเจ้าโดยเทินฆ่าพรเจ้าได้ทําบุญในคราวนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราทําบุญทุกครั้ ง, งไปในสถานที่ใดอย่างวันนีนะ้เป็นงานทําบุญครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งพวกเราได้ บวชพระไว้ในพระพุทธศาสนาให้พระทั้งหลายท่านบวชแล้วท่านจะได้รับสาสีปฏิบัติธรรมบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นการบวชเสร็จแล้วกับพวกเราก็กรวดน้ดําบูติสกุศลต่อบรรพชนของพวกเราดังที่อาตมาภาพได้แนะนําและได้กล่าวให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาต่อ น, นี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร